แอัญญมัญญัตตุกะ272ยจในสมัยนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีแม่เพราะสังขารเป็นป <memes> ัจจ nice ัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีแม่เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะนามเป็นป right. ัจจัยอายตนะที่หจึงมีแม้เพราะอายตนะที ãos, emás, <chen proposals> ่หเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงมีแม้เพราะตันหาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้ มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้273บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไฉนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุตตรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนะความจงใจกริยาที่จงใจ ภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเป็นไนความไม่รู้ความไม่เห็นปลิ่มคืออวิชชาอากุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไน จิตมโนมานัมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉไนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉไนจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะนามเป็นปัจจัยอา ย, อยตนะที่6จึงมีเป็นไฉนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณาธาตที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยแม้เพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไฉนะความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นฉไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมี เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉไนะความสาราญทางใจความสุขทางใจความเสวย อ, อารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะภัษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี แม้พระเวทนาเป็นปัจจัยพัสจะจึงมีเป็นไฉนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยพัสจะจึงมีพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นไฉไรความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิต นี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉไรความสาราญทางใจความสุขทางใจความเสเวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่าแม้เพราะตัณหาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไฉนทิฏฐิความเห็นผิดละทิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความถือโดยวิปลาสนี้เรียกว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นไฉน ความก ำ, มกมกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าแม้พระอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นฉไนเว้นอุปาทานแล้วเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเป็นฉไนะความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งสภาวธรรมนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเป็นฉไนะชาราหนึ่งมรณะหนึ่งในชาราและมรณะนั้น ชาราเป็นไนความแก่ความคร่ำคร่าความเสื่อมสิ้นอายุแห่งสภาวธรรมนั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกทําลายความแตกสลายความไม่เที่ยงความหายไปแห่งสภาวธรรมนั้นๆนี้เรียกว่ามรณะ ชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีคําว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ได้กแก่กองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้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 แม่เพราะผัสสะเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแม่เพราะเวทนาเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีแม่เพราะตัณหาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแม่เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี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 ลิมคืออวิชชาอากุรส ล, ลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าแม้พเจจมพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาจึงมีเป็นฉไนจิตมโนมานต์มโ น, โม น, มโนโวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สังขารจึงมีเป็นไฉไรความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไฉไรเวทานาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมี แม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉนยัยจิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีคําว่าเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีนั้นนามเป็นฉนยัยเว้นผัสสะเสียเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน นี้เรียกว่านามเพราะนามเป็นปัจจัยภัตตะจึงมีเป็นฉไหนะความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยภัตตะจึงมีแม้เพราะภัตตะเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน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 แม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีแม้เพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามารูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีแม้เพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย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 รูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไนรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามารูปแม้เพราะนามารูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมีเป็นฉไนจิตมโนมานตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีคําว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน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 อายตนะที่6จึงมีแม้เพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยนา ม, มารูปจึงมีเป็นฉไนะนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นฉไนะความแรกเกิดแห่งจักขาายตนะ กายายตนะหรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่ได้แก่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าแม้เพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยนา ม, มารูปจึงมีเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยพัสะจึงมีเป็นไฉนะ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 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีแม้เพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนามารูปจึงมีเพราะอายตะณะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่ห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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ 279. บกรรดาปจจยากาเหล่านั้นอวิชชาเป็นชนะัยความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชา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 แม้พระวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นฉไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าแม้พระวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีพระวิญญาณเป็นปัจจัยนา ม, มารูปจึงมีเป็นฉไนนามหนึ่งรูปหนึ่งในานามและรูปนั้นนามเป็นฉไน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 นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปแม้เพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นฉไนจิตมโนโมานัตมโนโวิญญาณธาตุ ท, ที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามารูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีคำว่าเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีได้แก่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 นี้เรียกว่านามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเป็นฉนหนจักขายตนะมัายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นฉนนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้น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 นี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีเป็นฉไนความกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นฉไน จิตมโนมานั์มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพระาะพัสสะเป็นปัจจัยอาญาตนะที่หจึงมีเพระาะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นฉไนความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุข